สังคาทิเศษสิกขาบทที่11ว่าอนหนึ่งมีภิกษุผู้ประพฤติตามผู้พูดเข้ากันของภิกษุนั่นและหนึ่งรูปบ้างสองรูปบ้างสามรูปบ้างเธอทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวคาอะไรอะไรต่อภิกษุนั่นภิกษุนั่นกล่าวถูกธรรมด้วยภิกษุนั่นกล่าวถูกวินัยด้วยภิกษุนั่นถือเอาความพอใจ และความชอบใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวด้วยเธอรู้ใจของพวกข้าพเจ้ากล่าวคําที่เธอกล่าวนั้นย่อมควรคือถูกใจแม้แก่พวกข้าพเจ้าภิกษุเหล่านั้นอันภิสูจทั้งหลายพึงว่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายอย่าได้กล่าวอย่างนั้นภิสูุนั่นหาใช่ผู้กล่าวถูกทำไม่ด้วยภิสูจนนั่น หาใช่ผู้กล่าวถูกวินัยไม่ด้วยความทำลายสง์อย่าได้ชอบแม้แก่พวกท่านขอใจของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสง์เพราะว่าสง์ผู้พร้อมเพรียงกันรองดองกันไม่วิวาดกันมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่ผาสุขและภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ยังยกย่องอย่างนั้นเทียว ภิกษุเหล่านั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบเพื่อให้สละกกรรมนั้นเสียหากเธอทั้งหลายถูกสวดสมานุภาพกว่าจะครบสามจบอยู่สลากกรรมนั้นเสียสละได้อย่างนี้นั่นเป็นการดีหากเธอทั้งหลายไม่สลาเสียเป็นสังฆาทิเศษ บาลีแห่งสิกขาบทนี้ปรากฏว่ามีตกหล่นและเคลื่อนคลาดบางแห่งเช่นคําว่าเธอรู้ของพวกข้าพเจ้าเพ่งความพอใจและความชอบใจนั้นหรือตกบทอะไรสักอย่างเช่นจิตหรืออัจาสัยในที่นี้ได้ลงบทว่าใจไว้แทนเพื่อหมายความตลอดถึงความพอใจและความชอบใจ อีกแห่งหนึ่งคําว่าขอของพวกท่านจงพร้อมเพรียงด้วยสง์ตามรูปนี้ตกอะไรสักบทหนึ่งซึ่งเป็นเอกาวัจนะคือเป็นของสิ่งเดียวที่ลงไว้ในที่นี้ว่าใจเหมือนกันแต่เทียบภาคเช่นนี้ในสิกขาบทก่อนต้องถือว่าบทคลาดเคลื่อนความควรจะว่าขอพวกท่านทั้งหลาย ทรงพร้อมเพียงด้วยสงอธิบายในสิกขาบทนี้พึงรู้โดยในยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทก่อนมีข้อแปลกแต่เพียงว่าสงสวดสมานุภาพภิกษุเหล่านั้นคราวละสองรูปสามรูปได้ห้ามมิให้สวดสมานุภาพในคราวเดียวยิ่งกว่านั้นมีอธิบายว่าภิกษุตั้งแต่สี่รูปจัดว่าเป็นสงเหมือนกัน สงฝ่ายหนึ่งจะทำกรรมแกส่สงอีกฝ่ายหนึ่งผิดแผนพระวินัย